วงเล็บสองเรื่องที่ตั้งยติไว้แล้ววงเล็บสามกรรมวาจาอย่างสวดค้างอยู่คำว่าไม่ให้ชันท่และลูกจากอาสนะจากไปคือภิกษุไปได้วยตั้งใจว่าทําอย่างไรกรรมนี้พึงเสียหายจะพึงแยกพวกกันพึงทำไม่ได้ต้องอบัตทุกกฎกําลังละหัตถบาตรที่ชุมนุมสงฆ์ต้องอบัตทุ ก, กฎละหัตถบาตรไปแล้วต้องอบัตปาจิตตี